นฟังคะสำหรับเวลาของรายการสันสนีสนทนาเราจะแบ่งเป็นสองช่วงช่วงแรกปฏิบัติธรรมฟังพุทธวจนะกันไปเสร็จเรียบร้อยคราวนี้เราก็มาพบกับช่วงที่สองเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะจะเป็นการสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ไพบุญอภิปุนโนวัดป่าดอนหายโศกน้องหานอุดรธานีค่ะน้อมสักการกันทั่งค่ะอาจเจริญตอค่ะวันนี้มีคําถามเกี่ยวกับเรื่องของการ เจริญวิปัสสนากรรมฐานอของแฟนรายการที่มาส่งจดหมายเองที่สถานีเลยนะคะคุณสมจิตปากน้าถามเรื่องของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานก่ว่าเราใช้ปัญหาในทางโลกหรือทางธรรมพิจารณาและจะตั้งหัวข้อเรื่องที่จะปฏิบัติอย่างไรก่อนอื่นเพื่อให้ท่านผู้ฟังที่อาจจะไม่คุ้นเคยกับการเจริญวิปัสสนากรรมฐานได้เข้าใจเบื้องต้นก่อนดีไหมคะว่าหมายถึงอะไรอ่า อภิปััชนาก็คือการเห็นตามที่เป็นจริงการเห็นตามที่เป็นจริงว่าอันนี้มันไม่เที่ยงนะไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอนในโลกค่ะเพราะฉะนั้นเราจะหยิบอะไรมาพิจารณาเอาบ้านก็ได้อะบ้านประกอบจากทรายหินปูนเอ้ยทรายเมื่อก่อนมันอยู่ในแม่น้ําขงแม่น้ําเจ้าพระยาเอาเดี๋ยวนี้มันอยู่ในบ้านเรามันจะอยู่สักกี่ปีเนาะร้อยปีพันปีเดี๋ยวมันก็ต้องแตกเห็นอย่างนี้เห็นตามที่เป็นจริงค อันนี้ถือว่าบ้านเนี่ยคือโลกหรือเปล่าคะบ้านก็คือบ้านที่เราอยู่อาศัยเนี่ยอาคารเนี่ยก็ได้หรือในรถเอ้ารถเอ๊ะเมื่อก่อนมันก็เป็นแผ่นเหล็กเมื่อก่อนมันก็เป็นน้ํามันซึ่งอยู่ใต้ดินเอาเดี๋ยวนี้มันไกลไกลรวมกันมาเป็นรถแก้วเอาเมื่อก่อนมันเป็นตายอยู่มันมีการเปลี่ยนรูปนี่คือนี่คือรูปคือท่าทั้งสีมีการเปลี่ยนแปลงได้โอ้การเปลี่ยนแปลง น, นี้ไม่เทียเ่ยงแฮ่ะเมื่อไม่เที่ยงแล้วเราเห็นด้วยความไม่ใช่ตัวเราของเรา อันนี้แหละคือการวิปัสษ์าเพราะฉะนั้นถ้าคําถามถามว่าจะหยิบอะไรมาพิจารณาได้ทั้งนั้นประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่าหยิบอะไรมาพิจารณาประเด็นอยู่ที่ว่ามีสมาธิไหมการที่จะพิจารณาถ้าจิตของเรามีสมาธิแล้วจะเห็นได้ตามที่เป็นจริงเมื่อเมื่อจะเห็นได้ตามที่เป็นจริงเมื่อจิตมีสมาธิถ้าจิตมีสมาธิแล้วเนี่ยจะรู้จะเห็นได้ตามที่เป็นจริงเอง ตามที่ท่านอาจารย์อธิบายนี้หมายความว่าวิปัสนาเป็นการเห็นตามที่เป็นจริ ง, งเห็นเป็นจริงในสิ่งที่เราหยิบยกมาพิจารณาคืออะไรก็ได้ไไดคำถามของคุณสมจิตคือถามว่าจะเอาโลกหรือจะเอาธรรมหยิบมาพิจารณาคือได้ทั้งสองอย่างได้ทั้งส อ, งอย่างถ้าในตัวอย่างที่ท่านยกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถเรื่องของบ้านบ้านเนี่ยก็คือ<บ>อาจจะอยู่ในความหมายของคําว่าโลกของคุณสมจิต โลก<ช>แบบโลกนะคะ<ช>แล้วถ้าหากว่าเป็นธรรมธรรมะก็พระพุทธเจ้ายกกายค่ะกายนี้หรือตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสเนี่ยนะหมาถึงแล้วก็ใจคือธรรมารมณก็เป็นของที่เอามาพิจารณาได้ทั้งนั้นและการพิจารณาเนี่ยใครครวรทำโดยพิจารณาให้เห็นตรายลักษ์ใช่ไหมคะที่ท่านอธิบายอให้เห็นความเป็นให้เห็นว่าใช่ใช่ใชตรายลักษ์นั่นแหละค่ะ<ช>คือไม่เที่ยง ทีนี้การเห็นไ <he en S 2> ตรลักษ์แล้วเนี่ยเราจะต้องเห็นผลของไตรลักษ์ไตรลักษ์เนี่ยคือความเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงคของที่ไม่เที่ยงเนี่ยมันจะเป็นทุกทุกเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเจ็บปวดทุกกายอะไรพวกนี้นะค่ะหมายความว่ามันตั้งอยู่ไม่ได้ทนอยู่ไม่ได้ยากคอย่างสมมติเราบอกว่า อ, อบ้านเนี่ยมันไม่เที่ยงใช่ไหยเพราะฉะนั้นมันทนอยู่ไม่ได้คเอาเราไปยึดถืออะไรไม่ได้ เพราะนั้นสิ่งที่มันทนอยู่ไม่ได้ยึดถืออะไรไม่ได้เนี่ยเราจะเห็นว่าหมายรวมว่ามันเป็นของเรามันเป็นของเราเนี่ยไม่ได้เลยเนื่องมาจะเอาอันนี้เป็นที่พึ่งไม่ได้จะเอาเนี้ยโดยความเป็นอัตตาเนี่ยไม่ได้ค่ะเพราะนั้นเราจึงต้องเห็นมันโดยความเป็นอนัตต า, าค่ะทีนี้ถ้าในคนที่ปฏิบัติส่วนใหญ่แล้วก็มักจะอยู่ในการนั่งสมาธิบ้างในการเดินจงกรมบ้างอเป็นหลักก่อนนะค ะ, คะ ในกรณีที่นั่งเป็นหลักเนี่ยคิดว่าความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ที่พบกันได้บ่อยๆมากก็คือนั่งๆไปมันชักเอะเราก็ว่าเราตั้งท่าตอนนั่งดีแล้ว <c oughs> นะคะคู่ขาเข้ามาเป็นอย่างดีแล้วตัวก็ตรงๆท <c oughs> ่าก็น่าจะสบายที่สุดแล้ว <c oughs> นั่งไปไม่นานชักเหน็บชา <c oughs> ชักเมื่อย <c oughs> เอ๊ะเรามีความรู้สึกว่าตัวเรามันจะคู่ลงมาเ <c oughs> อเรารู้สึกว่ามันร้อน มันจะทนนั่งต่อไปไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยนี่คือธรรมที่สามารถหยิบยกมาพิจารณาได้ด้วยพ อ, อ ไ, ได้เลยได้เลยว่าเมื่อก่อนไม่มีเแต่เมัม่อก็มีมานะพระเจ้าให้พิจารณาเห็นภัณฑ์ที่เกิดขึ้นทั้งหลายเนี่ยว่าสิ่งเหล่านี้มีปัจจัยปรุงแส่ค่ะเป็นของหยาบหยาบแต่มีสิ่งโน้นซึ่งระงับและปรราณีกว่ากล่าวคือุเบคาค่ะท่านอาจารย์คะแล้วมันอย่างนี้นะคะสมมติกรณีที่เกิดนั่งแล้วเมื่อยแล้วปวดแล้วก็ชาอะไรอย่างเงี้ย พิจารณาไปพิจารณามามันก็รู้สึกอยากจะหมดกําลังใจเลิกพิจารณาทํำยังไงดีคะวันนี้เหมือนอย่างที่ท่านมาได้อธิบายเมื่อวานนี้หรือว่าวันนี้ในตอนเชา <c oughs> ้าว่าผู้บังถ้าเรามีความเป็นตัวเป็นตนในในเวทนาเอาเอาเวทนาที่เกิดขึ้นนะ่ะเวทนานี่คือความรู้สึกทุกท <c oughs> ุกเฉยเฉยใช่ไหมถ้าเรามีไปยึดถือด้วยความเป็นตัวเป็นตนเนี่ยว่าอันนี้ของเราอันนี้เป็นเราเนี่ยเราจะเกิดความทุกข์ เอาง่ายๆนั่งสมาธิแล้วปวดขานั่งไปแค่สิบห้านาทียี่สิบนาทีปวดขาใช่ปะ่ะเพราะอะไรเพราะว่าสิิตของเรามันเข้าไปยึดในทุกขเวทนาถามว่าสุ ข, ขเวทนามันยึดไหมมันก็ยึดเหมือนกันสุขเราก็ชอบทุกเราไม่ชอบรู้ปะ่ะพอนั่งไปเออตอนแรกก็รู้สึกสบายดีอชอบพอนั่งต่อไปสักสิบห้านาทีเฮ้ยมันปวดไปปวดปุ๊บไม่ชอบพอเกิดการชอบไม่ชอบเนี่ยเป็นทุกข์พระพุทธเจ้า บ, บอกว่าความทุกข์ทั้งหมดรวมลงที่เวทนาถูกไหม <Okay. S 1> ทีนี้ถามว่าทําไมจิตเราถึงเข้าไปยึดทั้งสุขเวทนาทุกขเวทนาละ่ะเพราะว่าจิตของเรายังมีความกําหนัดอยู่ถามว่าเราจะคลายกำหนัดเนี่ยจะคลายกำหนัดในสุขเวทนาทุกขเวทนาทําได้ยังไงจะต้องเบื่อหน่ายก่อนจะเบื่อหน่ายได้อย่างที่พูดเมื่วานก่อนจะเบื่อหน่ายได้จะต้องจะต้องอะไรก่อนจะเบื่อหน่ายได้ก็จะต้องเอมีความ ก่อนจะเบื่อได้ก็ต้องเห็นตามที่เป็นจริงอ๋อค่ะก่อนจะเห็นตามที่เป็นจริงได้ก็จะต้องมีสมาธิก่อนเพราะฉะนั้นลำดับขั้นมันมาเป็นอย่างนี้หนึ่งจิตของเราต้องเป็นสมาธิก่อนพอจิตของเราเป็นสมาธิแล้วเนี่ยรู้เห็นตามที่เป็นจริงว่าอะไรว่าเวทนาที่เกิดขึ้นกับเรานี้มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความจางคลายไปเป็นธรรมดา มีความดับลงเป็นธรรมดาเอาสุขเวทนาก่อนเลยนั่งไปสมาธิไปห้านาทีสมุติ จ, จิตเป็นสมาธิแล้วเห็นสุขเวทนาโดยความเป็นของไม่เที่ยงมีความจางคลายไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาพอเห็นอย่างนี้อ ย, นอย่างนี้ทําไปเรื่อยๆใช่ไหมจิตก็จะคลายกําหนัดจากเวทนานั้น<ข>พอจิตคลายกําหนัดความคลายกําหนัดเนี่ยเป็นองค์ประกอบของการ ท, ที่เราจะเอามาใช้ในการวางทุกขเวทนาด้วยวางสุขเวทนาด้วยเพราะฉะนั้นราอสาย ตอนแรกที่เรานั่งสมาธิเนี่ยสิทตเป็นสุขอยู่ใช่ไหมไม่มีอะไรอา้าวเราทําให้เกิดความคลายกําหนัดให้ได้ก่อนพอคลายกำเนัดได้พอสิิตคลายกำเนัดจากเวทนาสุขเวทนาได้แล้วก็จะสามารถคลายกำเนัดจากทุกขเวทนาได้เพราะว่าความคลายกำเนัดเป็นคุณสมบัติของสิทธตที่จะต้องมีเพื่อวางเวทนาทั้งหมดค่ะนึกออกไหมเพราะฉะนั้ออเนเราก็จะสามารถวางสุขเวทนาเราก็วางได้ทุกขเวทนาเราก็ไม่ก็ไม่สนใจวางได้ แต่ไม่ใช่ว่าไม่ ร, รู้สึกรู้สึกรู้สึกหรือไม่อยู่ที่ว่าเราสมาธิลึกระดับไหนแต่อย่างน้อยก็ตามความทุกข์ที่เกิดขึ้นทางกายจะไม่กระเทือนมาถึงใจเป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าถูกสอนแค่ลูกเดียวถ้ามีความคึกทุกข์เกิดขึ้นที่กายแล้วเนี่ยรู้จักปล่อยวางตรงนี้ใช่ไหมก็จะล้วก็หาความสุขทางทางอื่นที่เป็นไปในภายใน ก็จะไม่ไม่ถูกลูกสอนดอกที่สองแต่ถ้าคนที่ไม่ทำสมาธิไม่เป็นไม่รู้เรื่องหรือว่าไม่เคยฟังธรรมเนี่ยก็จะเกิดการที่เรียกว่าเกิดทุกครั้งแรกใช่ไ้ยทุกทางกาย <c oughs> ก็จะมีปล่อยวางไม่ได้แล้วเจ็บครั้งที่หนึ่งเจ็บครั้งที่สองก็จะเกิดการที่ว่าโอ้อยาเลยเราไปหาความสุขทางกามดีกว่าคือความสุขที่เกิดจากตาหูจ ม, มูกลิ้นกายใจไปเที่ยวไปเล่นไปกินเหล้าไปเมาเบียไปหาความสุขอย่างอื่นไปกินอาหาร แล้วถ้าไม่ได้ก็ทุกดอกที่สองเป็นผู้ที่โดนสอนสองดอกนี่ก็คือไม่ได้ต้องไปคว้าเรื่องอื่นมาพิจารณาไกลแต่เอาผลจากการที่เรานั่งปฏิบัติหรือเดินปฏิบัติเนี่ยแหละว่าถ้าเกิดอาการอะไรขึ้นมาแล้วเราก็สามารถจะหยิบยกขึ้นมาใคร่ครวนได้เช่นเดียวกันเอออย่างง่ายๆอย่างพระที่อยู่ในในวัดแล้วมีงานวัดอยู่ในวัดมีเสียงเพลงตุ้มๆอยู่ในวัดอย่างเงี้ย ถ้าท่านพิจารณาภัสสะที่เกิดขึ้นของท่านนะว่าผัสสะนั้นเนี่ยไม่เที่ยงเป็นผู้อดทนในภัสสะทั้งหลายนะท่านจะเป็นผู้ที่ฉลาดในการเข้าสู่สมาธิได้โอ้โหเราอาศัยทุกสิ่งได้เลยในการทําประโยชน์ในการภาวนาของเราเช่นเดียวกันกับผู้ที่ฟังรายการวิทยุนี้ตั้งแต่ตอนต้นรายการมีบางท่านนะคะได้ปรารถบออกมาว่าตอนที่ปฏิบัติกับท่านมาร์กแล้วช่วงเวลาตอนต้นจบลงไป ท่านม้าก็บอกว่าหรือจะปฏิบัติต่อไปเลยก็ได้ก็บอกว่าพอฟังเสียงโฆษณาแล้วปฏิบัติต่อไม่ได้แล้วสมาธิมันไม่มีม笑<笑> <rou x> อย่างนี้ได้เช่นเดียวกันใช่ไหม<ร>ได้ได้แน่นอนได้แน่นอนเพรานะว่าถ้าเราเป็นผู้อดทนในภัสสะนะเราเราจะเป็นผู้ฉลาดในการเข้าสู่สมาธิเอาฟังเสียงโฆษณาเป็นภัสสะอย่างหนึ่งนีิค่ะนั่งสมาธิติสงบก็เป็นภัสสะเหมือนกันหี่ใช่ไหมภัสสะทางหูก็ดีผัสสะ ในจิตก็ดีภาษาทั้งนั้นเราเอามาใช้ประโยชน์ได้นะคะเพราะว่าถ้ามีภาษาเราวางได้ก็จะจะจะเป็นประโยชน์ในการจเจริญสมาธิวิปัสสนาต้นจากข้รจากการติดตามในพุทธวจนะพระพุทธองค์ได้ตรัสเกี่ยวกับเรื่องของการละความเพลินแล้วก็เคยได้รับคําอธิบายว่าอย่างกับเราอยู่กับลมหายใจแล้วก็มีความคิดเรื่องน้นเรื่องนี้แทรกเข้ามาเราเรียกความคิดเหล่านั้นว่าความเพลินได้และ การที่จะเอามาเจริญวิปัสนาจากความคิดที่เข้ามานี่ก็ได้เช่นเดียวกันหรือเปล่าคะถูกต้องถูกต้องได้อย่างไรคะท่านคะความคิดที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของจิตที่จะไปก้าลงสู่นามรูปอย่างใดอย่างหนึง่งเดี๋ยวมาพระรัชกาพูดถึงอ่านามรูปเนี่ยว่าวิญญาณเขามีวิญญาณเป็นปันจจัยจึงมีนามรูปถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นจิตเรานั่งสมาธิอยู่เนี่ยเอ๊ะทำไมจิตเราไปคิดเรื่องนั้นไม่คิดเรื่องนี้หรือไปก้าลง ที่ขาทำไมไปก้าวลงที่แขนหรือไปก้าวลงที่ความปวดตรงปลายนิ้วเท้าทำไมไม่เปความปวดที่หัวเขา่าถามว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้จิตเป็นเช่นนั้นโอ้โห <Okay. S 1> ถ้าเรานั่งสมาธิไปลึกๆเนี่ยเราจะพบว่าไม่มีอะไรแล้วควบคุมจิตอะไรเราไม่ได้เลยเราถูกหรอกอันนี้เป็นคำบัตรมานะทีนี้ถ้าคำของพระเจ้าก็คือว่าอ่การที่เรานั่งสมาธิแล้วเนี่ยจิตมันไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ย ไอความคิดต่างๆถ้าคิดดีนะถ้าเป็นความคิดที่อยู่ในแดนบวกเป็นความคิดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการพยาบาทิเบียดเบียนความคิดเหล่านั้นเนี่ยคือวิตกวิจารแต่ถ้าไปคิดเรื่องไม่ดีความคิดเหล่านั้นเป็นอกุศลทีนะี้ถ า, ามว่าถ้าเรามีความเพลินในวิตกวิจารณ์เป็นผู้ที่ยังลงในความสุขที่เกิดจากความวิตกวิจารเราก็จะเป็นผู้ที่เรียกว่าตั้งสยบอยู่ในภายในหมายความว่าเพลินมาแล้วในสมาธิ คุณเพลินไปแล้วค่ะอืมพนอตั้งสยบปุ๊บ ก, ก็คือเพลินละในในสมาธินั้นๆจะเป็นสมาธิระดับไหนก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นประเด็นก็คือว่าเราจะทำยังไงไม่เพลินก็คือมีสติยึดไว้สักที่หนึ่งนะคือยึดกายเอาไว้อ่เอาใหม่ไม่ใช่ยึดไวสักอย่างหนึ่งให้มีสติไว้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้มีสติไว้กับกายมีสติกับลมหายใจ หลังจากที่ฟังท่านมาปฏิบัติมาแล้วฟังโฆษณานแล้วมาฟังตรงนี้ก็มีสิิอยู่ในลมหายใจได้ตลอดเลยค่ะแล้วก็ทีฉันกำลังจะถามถึงการพิจารณาความเพลินที่ผ่านเข้ามาเป็นวิปัสสนาก็ได้ใช่ไหยคะใช่ถูกต้องถูกต้องโดยโดยพิจารณาว่าเอ่อเป็นความไม่เที่ยงเราจะพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของ คือหมายถึงว่าเดี๋ยวเข้ามาแล้วเขาก็ไป น, นี่คือความไม่เที่ยงถูกไหมคะ ว, ว่าเขาก็ไม่อยู่กับเราตลอดความคิดพวกนี้บางทีก็มีความคิดนไิไหลออกมาโหสรารพัดความคิดเลยมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาค่ะกับอีกประการหนึ่งอะคะ่ะสมมุติว่าความคิดนี้ผ่านเข้ามาเช่นคิดว่าเอ๊ะกาลังรอผลสอบอย่างหนึ่งอเอ๊ะเราจะได้หรือเปล่าเนี่ยทีนี้พอคิดแล้วมันไม่หยุดแค่นั้นนะคะมันจินตนาการต่อเลยว่าเอ๊ะถ้าเกิดได้ขึ้นมาเนะไรเราจะไปสอบสัมภาษณ์ได้หรือเปล่า เราจะไปอย่างนั้นอย่างนี้ได้หรือเปล่าอย่างนี้นี่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการไข้ครวนด้วยไหมคะอันนี้ธรรมะที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอยู่ที่สิทธิ์ของผู้นั้นว่าเอ๊ะเป็นความคิดฟุ้งซ่านหรือเปล่าถ้าเป็นความคิดฟุ้งซ่านก็จะเป็นนิวรเครื่องกลงกันใช่ปะในนี้ประเด็นอยู่ที่ตรงนี้คุณโยมติว่าในธรรมานุ ป, ปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยถ้าเรามีสติอยู่ในความฟุ้งซ่านนั้นนะอันนั้นเนี่ยก็คือ เห็นการเกิดดับของนิวรณ์นั้นอันนั้นก็คือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานอย่างหนึ่งเช่นกันถูกต้องเอาธรรมนั่นแหละเอาสิ่งที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นเลยค่ะเป็นเป็นอ่าเป็นสถานที่ตั้งของสติได้เลยค่ะเห็นนีว่าเดี๋ยวขออนุญาตนิดหนึ่งจะต้องเห็นว่าธรรมนั้นเนี่ยเกิดขึ้นได้เสื่อมไปได้เห็นแค่นี้คือเจริญธรรมะลักธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานค่ะสมมุติว่าอ่าพอจากเรื่องนี้เปลี่ยนเป็นเรื่องโน้นปุ๊บเห็นละ ใช่ไหมคะว่าไม่อยู่ตลอดไปเกิดดับได้มีความแปรปรวนเกิดดับได้เท่ากับว่าน่าจะเพียงพอแล้วนะคะเนี่ยในการที่จะอธิบายคุณสงจิตดิฉันก็พยายามถามหลายแง่หลายมุมไม่รู้ว่าหลายมุมมากจะยิ่งงงมากขึ้นหรือเปล่าก็าจะยิ่งมันจะยิ่งง่ายนะสิในการปฏิบัติเพราะมุมไหนก็ได้หมดเลยค่ะนะคะถ้ายังสงสัยต่อหรือท่านผู้งท่า น, านอื่นก็เชิญติดต่อมาก็แล้วกันวันนี้คงจะรบ ก, กวนท่านอาจาราย์ไพบูลแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ นมัส ก, การขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะสาธุประภอรค่ะท่านฟังค่ะการสนทนาธรรมในลักษณะเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะแบบนี้เนี่ยนะคะมีให้ฟังกันอยู่ทุกวันเลยค่ะทั้งวันจันทร์ถึงวันศุกร์พระอาจารย์เพบูลนั้นท่านก็อยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะส่วนรายการของเราอยู่ที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าวซึ่งท่านสามารถจะทิ้งคําถามถึงเราก็ได้นะคะที่0ูนย์สองส ที่เบอร์เดียวกันนั้นท่านสามารถขอหนังสือได้ใครโทรมาก่อนนะคะก็มีโอกาสได้ก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราแจกให้เพียงแค่วันละหนึ่งเล่มเท่านั้นสําหรับหนังสือพุทธวจนะเรื่องอาณาปานาสติคําพระพุทธเจ้าสอนเลยเกี่ยวกับการปฏิบัติอาณาปานาสติเป็นอย่างไรนะคะติดต่อกันเข้ามาและสําหรับท่านผู้ฟังที่ฟังที่สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉริมประเกียตก็เช่นเดียวกันนะคะท่านก็สามารถถามคําถา ม, ถาม หรือว่าขอหนังสือเข้ามาในหมายเลข022690006วิทีวครอบครัวข่าวนั้นด้วยพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ